พวกเพื่อนช่วยเจรจาต่อมาพวกเพื่อนของสุทินกลันทบุตรพากันเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ปลอบใจว่าสุทินเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นทิรักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งเพื่อนก็ยังไม่รู้จักถึงเพื่อนจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไน แล้วเหตุนไนพ่อแม่จะยอมให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลุกขึ้นเถิดเพื่อนรักเพื่อนจงกินจงดื่มจงรื่นเริงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภกทรัพย์ทาบุญเถิดถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่เมื่อพวกเพื่อนกล่าวอย่างนี้สุทินกัลลันธบุตรก็ได้แต่นิ่งเฉย พวกเพื่อนได้ปลอบใจสุธินกลันทบุตรเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามว่าสุธินเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่สุธินกลันทบุตรก็ได้นิ่งเฉยเป็นครั้งที่สาม 29. ต่อมาพวกสหายพากันเข้าไปหามารดาบิดาของสุธินกลันทบุตรถึงที่อยู่กล่าวว่า คุณพ่อครับคุณแม่ครับสุทินนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดตัดสินใจว่าเราจะตายหรือจะได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้เขาบวชเขาจะตายหน้าที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้ายอมให้เขาออกบวชคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะได้พบเห็นเขาแม่บวชแล้วถ้าไม่ยินดีจะบวชอยู่ต่อไปเขาก็จะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าจะต้องกลับมาที่นี้แหละ อนุญาตให้เขาบวชเถิดขอรับมารดาบิดาของสุทินจึงกล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อและแม่ออนุญาตให้เขาบวชได้